50 languages. คุณศัพท์ส t e เธอมีสุนัขหนึ่งตัว Uske pas ek g u d a hai. s u n a k tuayi. Kitna bada hai? เธอมีสุนัขตัวใหญ่หนึ่งตัวเธอมีบ้านหนึ่งหลังบ้านหลังเล็กเธอมีบ้านหลังเล็กหนึ่งหลัง เขาพักอยู่ในโรงแรมหนึ่งแห่งวูโो ट ทลेม่เร่ห์ตโรงแรมราคาถูกโोเทลสัตย์ตเขาพักอยู่ในโรงแรมราคาถูกวูอ क स ส्ตे होटल โेंทล त ม है รหาเขามีรถหนึ่งคัน उसके पास एक गाड़ी है รถราคาแพงรถราคีแพงหนึ่งคมีรถราคาแพงหนึ่งคันรถราคาแพงหนึ่งคันรถราคาแพงหนึ่งเันรื่อางหนึ่งันรถราคาแหนิยายนราราคาอพงหนึ่คัน เขาอ่านนิยายน่าเบื่อหนึ่งเรื่องเธอดูหนังหนึ่งเรื่องเธอดูหนังื่หนึ่งเรื่องเอดหนังน่าตื่นเต้นหนึ่งเรื่อเธอดูหนังน่าตื่นเต้นหนึ่งเรื่อง